กันเอพูดกับทุกคนทุกท่านแล้วก็มีแนวคิดจิตใจเหมือนกันออกวัวจากเรือดไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนตั้งใจมาศึกษามาปฏิบัติธรรม ในทางของพุทธศาสนาทมหลักคำสอนแล้วก็ทำเต็มที่เหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้ผลมันก็ตกแล้าผลมันตกลงมางต้นไม้ก็เกิดรากออกเก่งก้านสาขาทีด อ, อผนไ้ การมีสติการปลูกสติมีความเพียนเหมือนน้มฝนสติก็งอกงามขึ้นมาได้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาได้เพราะประสบการณ์ของสติมีทุกเวลาทุกวันทุกคืนเพราะชีวิตของเรามันฉายให้เราดู แล้ก็ภาพเหตุการณ์นในชีวิตที่มันเดินไปเรื่อยๆมันไม่นิ่งอยู่ได้เมื่อกี้โลกทั้งหลายมันหมุนอยู่ชีวิตของเราก็หมุนอยู่ก็เ ร, เรียกว่าสัญ ต, ติเกิดขึ้นทันทาเลไหลไปเกิดขึ้นไหลไปเกิดขึ้นไหลไป ตามเหตุตามปัจจัยต่างๆของชีวิตเราแต่แล้วก็ไม่ค่อยรู้ค่อยเห็นมันก็เลยไม่ฉลาดเรามาดูมามีสติมาดูมันซะเห็นมันซะมันจะแดงให้เราเห็นมันจะแดงให้เราดูมันแสดงให้เราได้ยินเสียงของมันได้บางโอกาส ยิ society, so ่งกว่าเสียงดนตรีเสียงห้องเสียงกลองหมูของเราได้ยินแต่เสียงแต่ว่าจิตใจที่เป็นสติได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงกลองไปทัวไกเสียงนางไก ของหูไม่กี่ว่าแต่เสียงความสงบที่มันเกิดจากสติเนี่ยมันก้องตัวโล ก, โลกไก่โลกภายนอกโลกภายในของเราไม่ใช่เสียงที่เป็นการจากประสาททางหูเพือโสต่อประสาทเหมือนโมโนภาษารวมกันทั้งหมด ที่มันมีสติเป็ น, าน่าณทัศนะอย่างรู้ร้องไปการแสดงออกของกายของใจซึ่งเป็นรูปโล ก, โลกนามโลกกันเนี่ยมันแสดงให้เราประกาศตัวมันอยู่มันไม่เที่ยงว่าประกาศความเป็นทุกข์มันก็ประกาศ ความไม่ใช่ตัวตนมันก็ประกาศแล้วก็เห็นอยู่เขาบอกเราอยู่เช่นเราดูกายเคลื่อนไหวไปมาก า, ายมันก็บอกเราอยู่ว่ากายนี้จักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ด่านแรกๆของการมีสติ แล้วก็เห็นที่มันอยากหยากเห็นกาเห็นจิตที่มันคิดเห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นแต่ก่อนนี้อดีตบทเป็นตัวบังเวทนาไมาเห็นเราเห็นเอ่เราอยากลุกก็ลุก ท, ทันทีอยากนั่งก็นั่งทันทีอยากนอนก็นอนทันทีอยากเดินก็เดินได้ทันที กินอยากทำอะไรทำได้ว่าเจอมันเกิดเวทนาทางใดทางหนึ่งนิดเดี่หน่อยก็รับใช้มันเลยพอเรามานั่งสร้างเนี่วันวันทีแล้วก็อดทนเห็นเวทนาชัดเจนไม่ไม่สนองเวทนาตามเวทนา สวนทางไปนิดหน่อยก็จะเห็นว่า เ, ออเวทานี้มันก็เป็นสักวิเวทานาจริงๆไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตที่มันคิดโ น, น่นคิดนี้เราก็ทำตามความคิดความคิดสั่งงานเราพอเรามามีสติเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยมาคิดไปโ น, น่นเราเห็นมันที่อยากจะลุกมันจะช่วยให้เราลุกเราก็ไม่ลุกลู่สึกตัวลู่สึกตัวไว้ การรู้สึกตัวเป็นการเฉาสองแยกแยะเป็นการศึกษาการรู้สึกตัวเป็นตัวศึกษาที่เข้าไปเห็นเข้าไปรู้ไม่เคยเห็นขีดที่ยนคิดมีแต่เราเท่านั้นแต่ก่อนอา้ามันไม่ใช่ตัวคิดกับตัวหนึ่งตัวเราตัวหนึ่งเราไม่ได้เปอยู่ในความคิดเราเห็นว่ามันคิด มันก็เป็นสภาวาจิตที่มันคิดทมที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนกันเป็นกุศลเป็นอกุศลมันเป็นธรรมของเขาที่เป็นกายวิสาาจิตเป็นหมวดเป็นหมู่ของเขาเป็นการมาเป็นหมู่เพื่อขบวนการแห่งให้เกิดตัวตนในสอย่างนี่ แล้วก็รู้เอรู้เอเห็นสนุกดีจริงๆเห็นของจริงอ่ะที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เกิดขึ้ น, นคนอื่นถ้าเราไปเห็นคนอื่นขเขาเกิดเจ็บเจ็ตายมันก็ไม่จริงหรอกมันจริงอยู่กับเราเราก็รู้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ได้พบเห็น ของจริงที่มันมีในความไม่จริงที่มันมีความจริงก็หลอกเราไม่ได้ความไม่จริงก็หลอกเราไม่ได้มีแต่ตัวปัญญาตัวรู้สึกเข้าไปดูเป็นกาเนิดของปัญญาเป็นกาเนิดเป็นที่เกิดเป็นกาเนิดของปัญญาเป็นการคุง้งกาเนิดของวิชาก็าเห็นัน มันประกาศมันประกาศ <c oughs> ประกาศตัวของมันนะแล้วก็จนเห็นเป็นโครงโครงสร้างของกระบวนการมันโดดไมล่นทนไม่ได้มันกระจายไปกระทบไปเหมือนเราได้ข้อมูลจากความผิดของตูกจากความเป็นธรรมความไม่เป็นธรรมของชุกสรรพสิ่ง เป็นการเจ็บแค่ได้ป่วยในร่างกายโรดของโลกองค์ลงในจิตใจแล้วก็เห็นชัดเจนไปเห็นรูปเห็นเวชนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณที่เป็นขันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหมวดเป็นหมู่เขาก็ประกาศเขา เราเราก็มาสวดพระพุทธเจ้าเทศสนาไว้มาล้อยกองมาแปรมาสวดเป็นบททรวัดเช้าทำวัเย็นกันเอามาร้อยกองคนที่ล้อยกองในเบื้อใจคนแรกก็คือพระหมหาสำนักเจ้ากรมพยาวอิชญาญนว่ลลโยรดสมเด็จพระสังฆราช ผู้แต่กขานในอัดในธรรมเอามาร้อกองแต่งเมื่สือให้เราเรียนนักธรรมตรีโทเอกมันหยตดขึ้นเป็นหลักสูตรให้คนได้ศึกษาเราก็มาสวดกันจริงๆมาทาเป็นพิธีกรรมเพื่อให้กระจ่างแข้ง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 เราเป็นผู้ถูกความทุกข์ยางเอาแล้วถูกความทุกข์เป็นเบื้องหน้าอยู่ถ้าเราไม่รู้มันะมันยังเอายังเอาเป็นเบื้องหน้าช่วงนี้ชงหน้าเหมือนเก่าอันทุกข์ออมาเหมือนเดิมตายลูกเบทนาก็เห็นหมวดเป็นหูวมาคบทีมเป็นพบเป็นชาติเป็นพบเป็นชาติกระวังการแห่งภพชาติทั้งหลาย ไม่สิ้นพพสิ้นชาติรับใช่อยู่ตรงนี้เวียนไหวใจเกิดในขันท้าที่มีอุปทานว่าโดยยกอุปทานขันห้าเป็นตัวทุกข์อ้าวมชัยหวงพก็บอกอาจารย์ศิลป์ไปที่จะไปสันทธรรมที่จังหวัดเชียงรายให้เจรลงไปบานา้าหมอคณะแพทย์เอาประกาศเลยนะ อันความไม่เที่ยงควมเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนก็มันเป็นมักเป็นผลอยู่ตรงนี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารมิยานที่คนทั้งหลายว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นมักผลอยู่ตรงนี้ด้วยถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีสามมัญญลักษณะคือแต่ลักนี่ยพันธิพานก็หายากถ้ามันไม่มีขันห้าที่เป็นอุปทานพันิพานก็หาได้ยาก เหตุอันนี้ก็ทำให้เกิดมรรคผลในผนเกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่ศึกษาก็โง่ไ้ตรงนี้ก็ผิดไปตั้งแต่ต้นไปจนบลายเกิดดับเกิดดับไปโสก็ไปเทวทุกข์เป็นพพเป็นชาติไปสี่พวพสี่ชาติก็ไม่รู้เรื่องเก่าบางคแล้วบางคนดิก็มาคิดแล้วอไม่คิดดิ่เป็นภกเป็นชาติไป นี่ของจริงเราศึกษาอยู่เนี่ยแม้เราสวดโมจีนนเนี่ยผู้พามผู้มปเพียนตั้งอยู่มิสติอยู่เห็นอะไรต่างๆเมื่อเกิดขึ้นมันง่ายง่ายเหมือนช่างกิน้อยเห็นไหมเห็นช่างกินอ้อยมันง่ายเหลือเกินกอนปุ๊บไปเขี่ยวกุบเกินไปเขี่ยว อ่าจะกินโอ้อยคนมีความเพียรพรามพรามคือผู้ลอยผู้ลอยบาปเสียได้พรามผู้ลอยบาปไม่ใช่พรามที่ขอพรามศาสนาะนุ่งขาวห่มขาวอันกระพรามตามสมมุติบัญญัติตามพรามที่เป็นปลมาัจจาจะจย์คือผู้ลอยบาปผู้ลอยบาป อะไรที่มันเป็นบาบเป็นอกุศลง่ายที่สุดที่จะละสนุกสนุกอดทนสนุกทุกอย่างมันง่ายเอามาเป็นเรื่องสนุกความอดทนก็สนุกความเจ็บปวดก็สนุกความร้อนความหนาวก็สนุกเอามาเป็นเรื่องสนุกนี่มันก็ง่ายเหมือนกับชาญกินน้อยถ้าเรามาเป็นเรื่องทุกยากเหลือเกิน ยากจริงๆเอามาเป็นทุกข์นี่ยากมากทำไม่ได้เลยสำหรับตัวเราเอามาทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ทำไม่ได้มันยากลาบากมันข่มขืนตัวเองน่ากเกิดไปมันรับไม่ได้แต่เอามาเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องอศึกษาไปไม่สนุกดีเราจึงดูมัน ที่มันแสดงในชีวิตเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความฉลาดถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินในธรรมที่เป็นของจริงในธรรมที่ไม่เป็นของจริงเช่นคนร้องไห้เนี่ยดีใจก็ร้ยยองไห้นะเสียใจก็ร้องไห้แต่ถ้าร้องไห้น่าตาออก ดีใจก็น้ำตาต่าไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวตาน้ำตาเป็นเจล็นไม่ถูกชีวิตเราก็เหมือนกันมันโลนมันต้องการน้ำถ้ามันเหนื่อยมันต้องการพักผ่อนถ้ามันทุกข์หมดหมน่นคนคิดมากมันก็ต้องการความสงบการปล่อยวางนันตรงกันข้าม มัน้นคนจีนเขาสอนยิน้นหยางยอะไรย ง, ย, ง, ย, งยิน <c ười> อ่าสอ น, นไม่มไม่ไ ม, ไมีตรงกรับอังคือเมืองันสีดำสีขาวนะมองกันอยา่ยาอยา่าอย่าจัดจินใจไปทางใดแต่ เห็นเห็นชาติเกิดเห็นความไม่เกิดเห็นชาติมันเจเห็นความไม่เจ็เห็นมันเจ็บเป็นความไม่เจ็บเห็นมันตายเห็นความไม่ตายเห็นทุกข์เห็นความไม่ทุกข์เห็นความกวดเป็นความไม่กวดอะไรที่ทําให้เห็นอย่างนี้สตินี่แหละสตินี่แหละไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เสอแย่งแย่งทำมาสติจะให้ก็ไม่ทำแต่เรามากที่สุ แตถาถาใหม่เนี่ย้ทวนกเ็เสียจากหน่อยการสอนเองต้องทวนกเ็เสียรทุกคนถ้าจะไม่สอนเองก็ปล่อยไ ป, ปทางผเสมันลงก็ลงไปมันรักก็รักไปมันโศกก็โศกไปมันทุกข์ก็ทุกข์ไปปล่อยไ ป, ปทางผเสไม่ได้สอนเองการสติเนี่ยมันคุมไว ไม่ไม่ไหลไปตามอาการต่างๆมันคงไว้ไม่เป็นดิสระอันความสุขก็ดีความทุกข์ก็ ด, กกดีใช่มันมีสติก่อนมีสติเป็นใหญ่ก่อนนี่เราก็เห็นอยู่นี่แหละไม่รับไม่รีชีวิตเรานะไม่รับไม่รีไม่ต้องไปนั่งเฝ้ากันไม่ต้องไป อ่าก้อยไข้ก้ยอยถามกันคนเดินบอกคนเดินถามคนเดินตอบให้เราเจียงลาวว่าเป็นการศึกษามันไม่ใช่การศึกษาจริงๆอ่ะเราตอบเองเราเห็นเองเช่เลยเองแชื่อได้เองเจื่ไม่ได้เองอันเชื่อไม่ได้ก็ดีอ่ะ นม่ใช่ให้ก่อนเนะี่ยเป็นพร ะ, ะเป็นพระที่เทศเหมือนกันนะเทศโจดบางทีเขาก็เข้าใจผิดไปยมนิมนต์พระมาโจดกันเพื่อให้เห็นว่าใครรู้กว่ากันใครเจริญกว่ากันเราก็ไม่ได้เรียนเทศด้วยเราก็เรียนธรรมะอย่างเดียวปฏิบัติอย่างเดียวก็เลยไม่กลัวบอกว่าในโลกนี้เราจะพูดความจริง อะไรที่ไม่จริงเราจะไม่พูดอยากให้เขาถามอะไรที่มันติดอยากให้มันติดตอบไม่ได้ลองดูจะได้มาศึกษาจะดีใยมากถ้าเขาถามเราตอบไม่ได้เสียใจไม่ใช่เลยดีใจเราจะได้มาศึกษางั้นก็ไม่ติดสติเราถามบ่อยที่มันเป็นคำถามบางทีําถามของเขาก็จับ กลับไปเป็นการตอบของเขาเองเาะเราก็ถามแบบคำถามของเขาก็กลายเป็นคำโจดของเขาไว้ด้วยนะจู่ก็ถามแบบเรียกว่าน้ำเยาะกับน้ำบงหรือตัดหางตัวเองยัดปากตัวเองก็ ให้มันออกมาเราก็เหมือนอะไรที่มันเป็นทุกข์อะไรที่มันเป็นสุขอะไรที่มันเป็นดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจถือว่ามันรับไม่ได้มันไม่จนตรงนี้จริงๆถ้าเรามีสติถ้าเราไม่มีสติก็จนอยู่ตรงนี้ตรงต้นๆเนี่ยก็ไปไม่ได้ห่ะเป็นด่านที่กักขังให้ผ่านไปได้ ทำไมเราใจผ่านใจเวทนาที่มันเคลื่อนไหวเนี่เป็นกายของเรารู้เห็นมันอยู่ที่เก่าไหมกายเนี่ยมันตั้งไว้ที่เก่าได้ไหมมันเป็นยังไงของกายเนี่ยที่ว่าลูกเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นค้นยังไงลูกเนี่ยลูกดามมันเป็นยังไงมันก็จะบอกเราค่อยๆไป แน่นมันไม่บอกการเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปมันรูปภายหลังมันเฉลยภายหลังในอิทธบทที่เราไม่ดูซึ่งได้แต่ฉันในภายหลังก็มีเหมือนกันเหมือนทุกวันนี้การศึกษาการประสบการณ์มาภายหลังเยอะแยกไปเลยเห็นอะไรเห็นโลกอะไรโลกมันก้าวไปยังไงมันเป็นยังไง แต่ว่าตัวเรายังอันเดิมยังยืนหยัดยังเฉลยยวนเดิมอาชันไว้ด้วยไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้ก็รู้ก็ป่าในกายของเราถ้าเรามีสติเนี่ยแตเวลาของการเกิดขึ้นของสติมันไม่หยุดไม่อยู่อันศึกษาไปเรื่อยเป็นการศึกษาที่ไม่จบไป่ิ้น ส, นสติเนี่ยมันเห็นอะไรอยู่หน่วงนิด ไม่ได้หลับลี่หลับหูหลับตาอยู่วันนี้ก็ไปเตรียมสถานที่อบรมนักเรียนหกกลงมาที่ถ่ามาไปพวกนี้ทีแรกก็ให้เื่อนไปก่อนสองวันสามวันพอเราไปดูเขา้า โอ้ไม่เมาเลยแล้วก็เออนี่ยผมไม่ตำหนิท่านนะผมตำหนิตัวผมผมไม่ได้บอกเวลาท่านว่าอะไรดูลูกดูกอาจารย์ให้รู้ลูกศิษย์ดูวัดให้ดูฐานดูอาจารย์ให้รู้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ทำงานเป็นไ่ทำอะไรเป็นไ่ ตั้งทูบตั้งเทียนเป็นไหมโต๊ะหมู่แยกกันเป็นยังไงภูเามสตรตรงนี้เป็นยังไงไม่ใช่เราจะมานั่งเทศจับไมมาพูดเลยมันมากกว่านั้นต้อนรับเขาไปทั้งขี่ทั้งเยี่ยว้วยนะใช่ไหมขี่ได้แบบขี่อย่างให้เขาจินตรงไหนแจวเขาถ่ายตรงไหนให้เขาดอนตรงไหนแล้วเขาดูอะไรอะไรที่ทำให้เขาดูเป็นการศาึกษาก็ดู เนี่ยผมไม่ได้ตำแหนผมตำแดนตัวผมผมเป็นอาจารย์ผมไม่ได้สอนทุกท่านทั้งหลายนะจะพาทำาทำเจ็บโน่นเจ็บนี่ทาง่ปเอาให้เอาอันนี้ไปเจ็บดูสิเอาไปเจ็บก็เจ็บไปดูก็ไปขยายดีแค่มันลรคลงไปแล้วต่างไปอีกมันก็ลกตรวนั่นกับลโตรงนี้มันก็ยังใช่ไม่ได้นะเหมือนเรา พัฒนาบ้านไปเลื่อยไม้ตัดไม้ในป่ามาพัฒนาเรือนชานบ้านอยู่ของตนหรือว่าพัฒนาบ้านของเราดีกว่าเก่าแต่ว่ามันจะมันเสื่อมไปอีกในป่าในธรรมชาติถูกตัดไปกี่ต้นมันเสื่อมไปอีกเราเนื้อเราพัฒนาอันนี้ก็เหมือนกันแหละเราแต่กว่ามันตั้งอยู่นี่เราแยกไปตรงนั้นมันก็ยังลกอยู่ เอาที่ใหม่ได้ไหมเอาที่ใหม่ได้ไหมเราก็ <c oughs> หางเงิเงอนใช่หลวงพ่อก็พาไปนี่มันควันที่จะอยู่ตรงนี้เอาหนามาเอาโต๊ะมาวางตรงนี้เอาตู้มาวางตรงนี้อ๋อแม่มดอะไรมันกลับมดอะไรมันไหลได้เลยโอ้มันขึ้นมานจริงๆดนะีขอบคุณมันเจ็บแก่มดมันกลับก็ต้องเจ็บธรรมดา โอ๋ออาลารย์นี่ก็ว่าเลย